จับหลักให้แม่นนะคำถามว่าไม่ค่อยมีหลวงพ่อพยายามบอกหลักให้เราได้หลักเลยช่วยตัวเองได้พยายามฝึกพวกเรานะให้ช่วยตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้เรื่องนี้สําคัญมากิชาวพุทธต้องพึ่งตนเองให้ได้อาศัยเรียนรู้จากครูบาอาจารย์สอนหลักของการปฏิบัติให้ เราไปลงมือปฏิบัติเราจะได้พบเห็นสภาวะธรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยสภาวะธรรมบางอย่างก็เป็นสภาวะจริงๆบางอย่างเป็นนิมิตที่จิตสร้างขึ้นมาไม่ใช่ของจริงก็มีเราก็เรียนรู้สภาวะไปปัญหาที่พวกเราเอามาถามส่วนมากก็เป็นสภาวะที่ไม่รู้จักจะจัดการกับมันยังไงดีเป็นปัญหาซ้ำซาก สภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารู้นะั้นล้วนเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดแหละไม่เห็นหน้าถามเลยว่าของหนูมันกระยุกกระยิกแบบนี้จะทำยังไงนของหนูมันถอดขึ้นมาแล้วมันวิ่งไปตรงโน้นจะทำยังไงก็เมื่อเห็นสภาวะแล้วสภาวะเขาก็แสดงไสรลักษณ์ให้ดูจะคิดอะไรมากนะี่คาถามทั้งหลายนะที่ถามหลวงพ่อนะเกือบทั้งหมดเลยนะ เป็นคำถ า, ถามที่ไม่จำเป็นหรอกจับหลักให้แม่นนะแล้วก็คำถามทั้งหลายนะแทบไม่มีเลยแล้วคำถามที่เรามาถามเราจะไม่ได้ถามถึงหลักของการปฏิบัติแล้วหลักเนี่ยหลวงพ่อจะสอนทุกวันนะภาคเช้าจะสอนหลักของการปฏิบัติให้พวกเราทำแล้วเราก็มาส่งกันบ้านส่งกันบ้านจะเป็นเรื่องมาเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วมาภาวนาแล้วไปเห็นสภาวะธรรมต่างๆนะ บางอย่างก็เป็นสภาวะของจริงบางอย่างก็เป็นของหลอกหลอกต้อมาถามว่าไอ้ที่เห็นนี่เห็นจริงไหมไม่เห็นหน้าถามเลยจริ ง, ไ ม, รงไม่จริงก็ไม่เห็นสำคัญตรงไหนเลยสำคัญที่ว่าเมื่อเห็นแล้วจิตของเราเป็นยังไงทั้งหาเห็นแล้วหลงยินดีไหมเห็นแล้วหลงยินร้ายไหมนสภาวะอะไรก็ได้นะถ้าจับหลักให้แม่นนะั้นแทบไม่มีคำถามเลย จิตมันติดอยู่ตรงนี้นานแล้วทำยังไงมันจะหายไม่เห็นเลยว่าอยากหายไม่ปล่อยให้โลภะตัณหาครอบงำจิตแล้วไม่ดูอะไรเงี้ยคำถามมันจะวนเวียนอยู่ในเรื่องพวกนี้จริงๆถ้าช่างสังเกตสนิดนะ้นแล้วก็หลักแม่นเนยะไม่ต้องถามหรอกหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารยนะ์ไม่ได้ถามเยอะเลยนานๆไปถามที สมัยโน้นครูบาอาจารย์วันวันหนึ่งไม่มีใครมาถามกรรมฐ า, ามนหรอกมีคนมาทําบุญเป็นส่วนมากบางทีเราก็เลยต้องหาเรื่องไปคุยกับท่านคุยแล้วท่านร่าเริงใจนะตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องหาเรื่องมาคุยกับหลวงพ่อนะไม่ร่าเริงเลยนะแต่เราหว่ดนนะ้าแทบสลบสลายหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะจับหลักให้แม่นแม่นะอันแรกเลยเราต้องมีสตินะสติต้องเกิดเอง เพราะว่าจิตจําสภาวะได้แม่นมีสติแล้วเอาไปทําอะไรมีสติแล้วรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ไปบังคับกายบังคับใจรู้กายรู้ใจเนี่ยนะด้วยใจที่ตั้งมั่นด้วยใจที่เป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางขึ้นมาก็รู้ทันสภาวะใดๆทั้งปวงเกิดขึ้นมาก็ให้รู้ทันรู้ลงไปเลยทุกๆสภาวะล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนะแล้วจิตไปติดไปคล้องอะไรนะเราก็คอยรู้เอา เรียกว่ามีโยนิโสมานสิการโยนิโสมานสิกานะเป็นความแยบคายในการช่างสังเกตสังเกตตัวเองนั่นแหละไม่สังเกตใครแร้วไม่ได้สังเกตตามใจกิเลสด้วยสังเกตแบบมีหลักดงนั้นโยนิโสมานสิการเนี้เป็นความแยบคายในการพิจารณาสภาวะทั้งหลายโดยสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าดังหลวงพ่อสอนหลักแล้วนะก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้า งั้นเวลาสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็มาคอยสังเกตว่าเรารู้ได้ถูกหลักหรือยังเช่นเห็นสภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ดูอยู่เนี่ยดูมาสมวันสามคืนแล้วสภาวะก็ยังเหมือนเดิมไม่ผิดหลักละหลักของพระพุทธเจ้าก็คือสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปไม่ใช่ค้างอยู่ได้ทั้งหลายวันสภาวะที่ค้างอยู่ได้นานๆนนมีอย่างเดียวคือฌานจิตจิตที่เพ่งเอาไว้ เพรนถ้าใครบอกว่าสามวันมาแล้วหรือเจวันมาแล้วหรือเดือนหนึ่งมาแล้วนะใจโล่งว่างสบายอยู่ตลอดเลยเนี่ยถ้าหลักแม่นนะก็จะรู้แล้วว่าไปติดสมถะเรียบร้อยแล้วไปติดเพ่งอะไรไว้สักอย่างหนึ่งถ้าเพ่งแรงๆก็อึดอัดถ้าเพ่งเบาๆก็สบายเนี่ยต้องแยบขายนะมีความสังเกตค่อยๆสังเกตตัวเองไปอันไหนถูกอันไหนผิดถูกคือถูกอะไรถูกหลักไม่ใช่ถูกใจ ผิดอะไรเพื่อผิดหลักไม่ใช่ผิดใจนะไม่ใช่ไม่ได้อยากได้อย่างนี้แนละ้วมันมีขึ้นมาก็โกรธมันนี่หลวงพ่อพยายามพูดถึงหลักของการปฏิบัติทุกวันเลยซ้ําแล้วซ้ําอีกนะพูดทุกวันแง่มุมโน้นแม่มุมนี้ไปเรื่อยๆพวกเราก็ฟังนะฟังซีดีฟังอะไรให้ได้หลักแล้วพอสภาวะใดๆเกิดขึ้นก็ใช้โยนิโสมานัสิการช่วยตัวเองดูซิสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันสอดคล้องกับหลักที่หลวงพ่อบอกไหมนะหรือมันผิด ในหลักการที่หลวงพ่อบอกเอาไว้ถ้ามันผิดก็คือทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะทําผิดก็ห้ามขยันไม่ทําถูกแล้วค่อยขยันทําผิดบางคนทําผิดแล้วชอบขยันขยันนะพวกทําผิดเห็นบางคนช่ําเดินกําหนดกําหนดทุกวันเลยนะกําหนดได้วันหนึ่งหลายๆชั่วโมงยิ่งผิดหนักขึ้นหนักขึ้นยิ่งเครียดมากขึ้นยิ่งนิ่งมากขึ้นใช้ไม่ได้หรอกเป็นหลักให้แม่นเรียนหลักนะอดทนนิดนึง พูดซ้ำไปซ้ำมาดูแล้วน่าเบื่อแต่ว่าหลวงพ่อกล้า ย, ยืนยันอย่างหนึ่งเลยว่าโดยธรรมชาติของจิตปูถุชนเนละหรือจิตทั้งหลายนะยกเว้นพระอราหันต์เท่านะั้นไม่ว่าธรรมะอะไรถ่ายทอดเข้ามานะจิตปูถุชนนี้มันรับได้ไม่หมดหรอกมันรับได้ทีละนิดเดียวอย่างหลวงพ่อเทศให้ฟังทุกวันทุกวันนะเทศถึงอริยสัจถึงอะไรเนี่ยนะมันถึงพระอราหันต์ได้ทั้งสิ้นเลยแต่เรารับได้ทีละหน่อย เงี้ยฟังแล้วฟังอีกเนี่ยไม่เสียหลายหรอกฟังไปเถอะฟังซีดีก็ได้นะฟังไปคนที่ฟังซีดีจนใจตื่นขึ้นมาเนี่ ย, ยเยอะแยะไปหมดเลยนะอาจจะเยอะกว่าคนที่มาที่วัดซะอีกนาะแล้วเราฟังเราก็สังเกตไปเรื่อยเสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ซนะิดูไปเป็นถูกหลักไหมมันแสดงไตรลักษณ์ไหมนะ เรารู้แล้วเรายินดีไหมเรายินร้ายไหมเราแทรกแซงหรือเปล่าเน่ยคอยรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆไม่ใช่สภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะหายสักทีเนี่ยไม่เห็นมันแสดงใจรักเลยหงุดหงนะิดละทาไมความทุกข์นี่มันไม่แสดงใจรักสักทีโมโหมันนะไม่เห็นนะว่ากาลังโมโหอยู่จิตมีโทสะนี่จิตไม่ได้มีสติขึ้นมานะมันก็ไม่พ้นไปหรอกงั้นสังเกตเอา ต่อไปนี้เร า, าให้ถามคนไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องถามนะคนไหนจำเป็นคิดว่าจำเป็นก็ถามแล้วหลวงพ่อจะชี้ให้ดูว่ามันไม่จำเป็นต้องถามยังไงนะอย่างนี้เขาเรียกว่าตัดไม้ข่มนม้ำนะแต่ข่มไม่สำเร็จสักวัน <c oughs> น, นักถามเนี่ยมันเยอะกว่านักปฏิบัตินะถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆแทบไม่มีคำถามเชื่อหลวงพ่อสิสภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานะ เราดูเป็นไหมมันแสดงใจรักยังบางคนดูแล้วมัวมัวหนูมัวอยู่เนี้ยหนูจะทำยังไงดีหรือผมมัวมัวรู้ไหมว่ามัวรู้แต่มันไม่หายเห็นไหมไม่คำานึ่งเลยว่าหลักคืออะไรมัวจิตมีโมหารู้ว่ามีโมหะสิไม่ใช่รู้ให้หายใจมันอยากให้หายเห็นไหมใจมีโทสะทำไมไม่เห็นหัดสังเกตตัวเองเวลาที่เราภาวนานะแล้วเราลองเขียนออกมาก็ได้เขียนเป็นประโยคออกมา อย่างที่หลวงพ่อเล่าตะกี้นะว่าจิตผมมัวมัวนะดูมาตั้งหลายวันแล้วนะมีสติอยู่ แ, แท้ๆทาไมไม่หายนะี่ยแล้วลองมาวิเคราะห์ประโยคนนี่ดูถึงดูจิตไม่เป็นนะแค่ฟังคําพูดก็รู้แล้วว่ามันมีโทสะเนะี่ยลองวิเคราะห์ตัวเองดูไในะที่ติดที่ขัดเนะี่ยถ้าไม่มีอะไรให้ติดขัดเนะลยหลวงพ่อผ่านมาได้ก็ด้วยวิธีนี้เองด้วยการสังเกตนี่เองนะบางอย่างนะ สังเกตมานานแล้วเราไปติดอยู่เราดูไม่ออกจริงๆเจอครูบาอาจารย์นะมีโอกาสเจอครูบาอาจารย์ท่านก็แก้ใหนะ้ถ้าไม่มีโอกาสก็ต้องสังเกตเอาอย่างบางคราวนะเคยไปหาอาจารย์มหาบัวสังเกตดูเอ๊ะเรารู้ตัวหยุดตลอดเวลานะรู้ทั้งวันรู้ทั้งคืนเลยทำไมมันไม่ผ่านตรงนี้สักทีนะไปหาอาจารย์มหาบัวท่านอาจารย์ครับผมดูจิตอยู่ ครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยที่เรียนด้วยนะีท่านก็บอกว่าการที่เราดูเข้ามาถึงจิตตนเองเนี่ยนะมันสุดยอดของการปฏิบัติแล้วไม่มีวิธีปฏิบัติที่ยิ่งกว่านี้แล้วทาไมผมดูจิตอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ผ่านสตีเนี่ยอาจมหาบัวมองหน้าแวบนี่<ม>เห็นตับไตไส้พุงเราเลยเราไม่เห็นใช่ไหมท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตอยู่นั้นดูไม่ถึงจิตแล้วที่ว่าดูจิตอยู่นั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะ ตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้นี่ท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนเท่านี้นะแล้วก็ต้องมาพิจารณาแะว่าท่านให้บริกรรมยังไม่รู้เหตุรู้ผลนะท่านให้บริกรรมมาพุทโธพุทโธพุทโธพอพุทโธพุทโธนะใจนี้อึดอัดไปหมดเลยใจมันรู้สึกว่าพุทโธเป็นส่วนเกินแล้วมันเคยไม่บริกรรมมานานแล้วพอกลับมาบริกรรมมันรู้สึกเป็นส่วนเกินใจไม่ยอมรับ แล้วก็มาพิจารณาทาไมครูบาอาจารย์ให้บริกรรมนี่ถ้าเรารู้เหตุรู้ผลนะเราอาจจะทํากรรมฐานอย่างอื่นที่เหมาะกับจริตของเราที่ไม่ใช่บริกรรมนี่เราก็ต้องช่างสังเกตนะถ้าไมท่านว่าเราดูไม่ถึงจิตเราไปดูอะไรเราก็ดูจิตอยู่นะสังเกตไปสังเกตไปท่านให้บริกรรมนี่ดูไปดูไปนะโอ้ใจเราไม่ตั้งมัน่น ที่ว่าดูจิตดูจิตนั้นไม่ได้ดูจิตแล้วจิตออกไปอยู่ข้างนอกอย่างที่หลวงพ่อบอกพวกเราทุกวันเนี้ยจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ถึงฐานนั่นแหละเห็นไหมบอกละเอียดกว่าที่ครูบาอาจารย์บอกนะครูบาอาจารย์บอกแค่ว่าที่ดูอยู่มันไม่ใช่ดูจิตหรอกดูไม่ถึงจิตหรอกนี่อธิบายละเอียดมากขึ้นนะว่าจิตอยู่ข้างนอกนะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะจิตไม่เข้าฐานไม่เข้าที่ไหนเงี้ยบอกให้ละเอียดยิบเลยนะพอไปสังเกตว่าจิตเราไม่เข้ามา ไปรู้อยู่นอกๆไปรู้อยู่ในความว่างเห็นไหมติดความว่างนะไม่ใช่ไม่ติดเคยติดมาแล้วทุกวันนี้ถึงพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญนะบอกเลยอย่างนี้มันผิดเนอะก็เราลองมาแล้วมันผิดมาแล้วรู้เลยว่าเนี่ยภาวนาไปแล้วที่ว่าดูจิตดูจิตนะดูไปเรื่อยๆแล้วมันมาอยู่ข้างนอกโลง่ลงๆว่างๆทำหน้าให้ดูจิตไปอยู่ข้างนอกเงนี้ ดูออกไม่ออกก็ออกไม่ออกก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> บางคนก็ดูจิตออกบางคนก็ดูไม่ออกต้องทำหน้าให้เว่อร์นิดนึงใจไปอยู่ข้างนอกมันโล่งโลงว่างๆนะบางคนนะชอบสอนกรรมฐานกันนะทุกวันนี้มีนะสานักบางแห่งนะสอนให้ไปอยู่ว่างๆข้างหน้านี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์มหาบวชหกกบาลหลวงพ่อมานะว่าดูไม่ถึงจิต พเรารู้ว่าจิตไปอยู่ข้างนอกปั๊บมันเข้าที่ปั๊บเลยไ ม, ไม่ได้บริกรรมพอเราถนัดดูจิตเพอเรารู้ว่าจิตไปอยู่ข้างนอกปั๊บเข้าที่ของมันเองเพราะอะไรเพราะตัวรู้เนี่ยมันเข้าที่อยู่แล้วเรามัวแต่ไปเพลินหลงไปในความสุขความสบายนี่สังเกตเอาอย่างนี้นะใจก็เข้าที่ขึ้นมาคราวนี้บริกรรมก็ได้ทําอะไรก็ได้ใจมันเข้าที่หมดเนะนื้อความสังเกตสําคัญมากเลยหรือบางทีนะเข้าไปอยู่ข้างใน ดูจิตนะเห็นกิเลสมันเกิดขึ้นที่กลางหน้าอกเนี่ยกิเลสมันโผล่ขึ้นมาที่กลางหน้าอกไปดูมันนะมันหดมันหลบหล บ, ล, บลึกลึกลงไปอยู่ข้างในเราก็ตามไปดูนี่เหมือนรายการโทรทัศน์แต่ก่อนมีรายการตามไปดูตามมันไปดูสิต้นตอมึงอยู่ที่ไหนกูจะตามไปเอาให้ถึงต้นต่อเลยนะถ้าขาจัดต้นต่อได้เนี่ยคงเป็นพระอรหนะันต์ละอันเนี้ลุยลึกลึกลึกลึกลงไปได้นะอยู่อย่างนั้น น, ะนานเลยมันไม่หมดสักที มันก็ผุดขึ้นมาในความว่างผุดอย่างนั้นนะเจ้าหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านเรียกเลยผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆ น, นี่ท่านแก่ให้ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆ น, นี่ฝังหลงงงวิ๊ยหลวงปู่สิมบอกให้ส่งจิตออกนอกนะทําไมหลวงปู่สิมบอกให้ส่งจิตออกนอกนะี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเราลงเข้าไปข้างในนะ แสดงว่าหลงเข้าข้างในไม่ถูกต้องอยู่ข้างนอกเป็นกลางกลางไม่ได้หลงไปข้างนอกน้่นด้วยแล้วไม่หลงไปข้างหนด้วยเราต้องประคองไว้รตรงกลางประค อ, องไว้ก็นิ่งๆสบายรู้สึกตัวได้เรื่อยๆกลับไปหาโลภุเทศนะบอกเนี่ยผมไม่ส่งนอกไม่สกไหนนะเป็นกลางเป็นกลางโดยการทามันขึ้นมา เวลาภาวนาเนี่ยนะไอ้ที่ผิดนี่เยอะมากเลยช่างสังเกตเลยหัดสังเกตไปเรื่อยๆนะเราก็จะเอาตัวรอดได้หลวงพ่อตอนไปอยู่สวนโพนะอยู่ตัวคนเดียวเลยอยู่คนเดียวนะอาศัยความช่างสังเกตนะภาวนาไปภาวนาไ ป, าาไปทำไมเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ฟุ้งซ่านนะไม่ใช่คิดตลอดเวลานะว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นงนี้ตลอดเวลานะั้นไม่ได้ภาวนาล เราดูของเราไปเรื่อยๆหลาย ๆ, ายๆวันเราค่อยๆสังเกตหลายวันนี้จิตเหมือนกันตลอดเลยมันเป็นไปได้ยังไงมันต้องผิดอะไรสัอย่างดูไม่ออกเลยว่าผิดตรงไหนทําไงดีล่ะนอนมันเลยมะนอนตอนตื่นขึ้นมานะตอนคิดถึงการปฏิบัตินะจิตจะเคลื่อนเข้าช่องที่มันเคยติดเราเห็นเลยอ๋อมันเข้าไปตรงนี้เองไปติดค้างอยู่ที่ตรงนี้เองพอรู้ทันก็หลุดเลยคราวนี้ไม่เข้าไปอีกแล้วเนี่ยใัยความค่อยๆสังเกต สู้สุดฤิสุดเด็เนะี่ยภาวนาจนใจในื้อใสปิ๊งไปเลยนะได้ 3, สพรรษาใจใสใสนานๆมองอีกเอ๊ะทำไมมองอีกวะเราภาวนาก็ทำสุดฤิ์สุดเด็ชแล้วนะทำไมมองมองได้อีกอะไรเงี้ยทนไม่ได้นะต้องค้นคว้าพิจรารณายิ่งพิจรารณายิ่งหมอง เ, เอ๊ะยัยงไงชอบกลคราวนี้มาไม่เหมือนทุกคราวแต่ก่อนถ้าค้นคว้าพิจารณาไปนะก็หลุดออกมาได้นี่ไม่หลุดนะ หมดปัญญาแล้วช่างมันเถอดมองก็มองไปชาตินี้ได้แค่นี้แล้วนะเอาแค่นี้แหละใจมันก็่คิดอย่างนี้นะใจมันหมดการดิ้นรนใจมันไม่ดิน้นะอ๋อมันง่ายนิดเดียวเองนะมันไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกการหัดสังเกตนะคำถามทั้งหลายส่วนมากเป็นคำถามที่ไม่จำเป็นหรอกเอาต่อไปใครอยากถามเชิญโหมีผู้กล้าหาั คนที่อยู่วัดจะถามเปล่าให้สิทธิ์ก่อนอกราบขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่านนะขอบคุณแ ล, ลแล้วไม่ต้องนะสุนทรพจน์ไม่เอา <c oughs> ขอเข้ามาไม่ต้องนะขอในใจเอออตอนนี้โยมยังติดตรงไหนไหมคะที่ประคองไว้นิดเดียว <c oughs> ดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไหมจิตมันถอนออกมาถอนออกมาะ <c oughs> จิมเข้าไปล็อกอยู่ข้างในตอนนี้มันถอนออกมาแล้วดีเบอร์ร้อยสอง ไล่สองเชิญกับอพอครับเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้เวลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเผลอๆเนี่ยบางครั้งมันจะมีสภาวะมีดอกบัวมารองรับแล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยบางทีก็ตัวก็จะไม่มีเป็นโปง่โปงๆนะครับแต่พอช่วงสักอาทิตย์สองที่ผ่ามาเนี่ครับถ้ามันว่างๆเหมือนเดิมเนี่ยแต่มันไม่ว่างแนละ้วมันกลายเป็นอยู่ในเหมือนอยู่ในอวากาศแล้วก็ มันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันรู้สึกสับสนวุ่นวายคือใจเราไม่ตั้งมั่นจริงนะเราไปทําที่ทํามามันเป็นสมถะมนยังไม่ได้ขึ้นมีปรัชนาแท้ๆเพราะฉะนั้นใจช่วงนี้มันใจแค่ใจมันฟุ้งซ่านลองฝึกวิปัสนะใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเห็นจิตมันฟุ้งซ่านอย่าไปบังคับอย่างรู้สึกไหมใจมันดิ้นเมื่อกี้นี่้ใจมันดิ้นใช่ไหมมันอยับเถียงอยับพูดขึ้นมาเราก็รู้ทันมันเข้าไป เห็นไ้มใจที่ดิ e> um, ้นขึ้นมาตะกี้ม awesome. ันท the ํางานของมันเองมันดิ้นเองนี่ยเราคอยรู้อยู่ท okay. ี่กายรู้อยู่ที่ใจนะอย่าเพ่งเอาคนเพ่งแรงไปเดี๋ยวตอนเนี้ยเห็นไหมใจมันอยากพูดขึ้นมาใจมันไปคิดนิดนึงใช่ไหมแล้วมันก็อยากพูดใจไปคิดให้รู้ว่าใจไปคิดใจอยากพูดให้รู้ว่าใจอยากพูดรู้ลงปัจจุบันตอนเนี้ยใจไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้สึกไหมว่าประคองให้นิ่งแล้ว ตรงนี้ต้องเลิกเด็ดขาดเลยนะตัวนี้แหละความวิปัสสนาหยุดการประคองให้นิ่งเนี่ยประคองให้นิ่งนี้เป็นสมถะอยากพูดอีกเห็นใจที่กระเดิดขึ้นมาไหมใจที่ทยานขึ้นมามันอยากพูดตัวนั้นแหะคือตัวตันหาตัวความอยากนะการทําวิปัสสนาคือการเรียนรู้ตัวสภาวะอย่างเราเห็นตันหามันทยานขึ้นมาปุ๊บหรือเห็นโทสะมันพุง่งเห็นใจกระโดดไปคิดไหมมีแง่มุมที่ไม่เหมือนกัน เราเห็นใจกระโดดไปคิดปุ๊บเรารู้ทันเรียกว่าเรารู้ทันจิตะอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมหัดดูอย่างนี้นะแล้วคุณถึงจะได้ของวิเศษอ้าเบอร์โยมอยากกลับเรียนว่าโยมติดเพ่งติดกดไว้ประคองไว้หรือเปล่าเจ้าคะหา อ, อย่างนั้นเรื่องไม่ได้อยากเรียน ไม่ได้เล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วอย่างนี้ถามถามสภาวะยมภาวนาได้ดีขึ้นแล้วนะเจ้าค่ะรู้สึกไหมใจมันโปร่งโล่งเบามากขึ้นมากขึ้นเจ้าค่ะรู้เนื้อรู้ตัวได้ดีขึ้นดีแล้วฝึกไปกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะมีประคองนิดหน่อยตอนจะคุยกับหลวงพ่อนี่แหละมันตื่นเต้นเลยประคองก็เลยประคองใช่โยมจึงถามว่าประคองเห็นไหมเห็นไหมอยากคุยแล้วดูออกไหมเจ้าค่ะอยากกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ เบอร์แปมันไม่ได้มากราบหลวพ่อนานมากแล้วครับก็เลยที่ผ่านมาคิดว่าพอทําพอใช้ได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเข้าข้างตัวเองมากไปหรือเปล่าอะไก็ด <K> ีนะแต่ว่าตอนเนี้ใจไม่ตั้งมัน่นรู้สึกไหมใจไปอยู่ข้างนอกแล้ว ม, มันไม่วเข้าหาใจของเราเองจินไปอยู่นอกๆ อ, อ๋ออันนี้ไม่ทรา บ, รบสังเกตไหมมันมาอยู่ทางหลวงพ่อเนี่ยอิดนิดดึงครับอะไรนะอิดนตึงนิด มากไหมครับหลวงพอ่อมากไหมครับมากไปอยู่หลวงพอ่อมากมากมากมากไหมครับมากสิมาก <c oughs> มาจนลืมตัวเองรู้สึกัหมเราลืมกายเราลืมใจนะเคย ร, รู้สึกกายเคย ร, รู้สึกใจลืมหลวงพ่อไปก่อนแล้วรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกไหมมันอยู่นอกๆมันไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไม่ถึงฐานของมันนะจิตไม่ตั้งมัน่น ให้รู้ว่าจิตไม่ตั้งมัน่นรู้ไปก่อนนะแล้วค่อยๆไปดูเอาทําไมหลวงพ่อว่าจิตไม่ถึงฐานมันเข้ามาได้ไม่เต็มที่รู้สึกไหมเหมือนติดกําแพงที่มองไม่เห็นอยู่อันนึงแต่ว่าไม่มากนะของคุณจิตออกนอกนิดเดียวเองไม่มากเท่าไหร่หรอกอย่าดึงคืนมานะแค่รู้ว่ามันอยู่นอกๆไม่ดึงคืนถ้าดึงแล้วจะแน่นถ้าแน่นเราผิดเบอร์ห8ตรวจการบ้านนะเป็นเวลาที่ใช้แรงเยอะที่สุดเลย ไม่ได้มาประมาณ3เดือนนะคะโอ้ <3 S 1> นี่รีบบอกไว้ก่อนอว่าไปก็พ อ, อดีก็แต่ว่าคือช่วงที่ผ่านมาก็งานก็ค่อนข้างเยอะมากค่ะก็นอนดึกแล้วก็หัวมันก็คิดตลอดแต่ก็บางช่วงก็พยายามทําในรูปแบบบ้างแล้วก็โดยรวมแล้วกเ็เหมือนกับตอนนี้มันค่อยๆแยกออกมาได้มากขึ้นค่ะพี่จันที่สิน ะ, ะ, ะเห็นไม่ไกลไม่ใช่จิตค่ะใช่มันห่างๆกันค่ะมันเริ่มห่างออกไป พอช่วงหลังมานั่งสมาธิมากขึ้นนะฮะก็เหมือนกับว่ามันเห็นสภาวะเกิดดับในในในใ น, ในเห็นได้ชัดขึ้นออแล้วก็เหมือนกับสติมันก็เริ่มค่อยๆตั้งมันขึ้นตอนแรกจิตมันจะออกนอกๆตลอดเนี่ยฮะช่วงหลังเหมือนกับว่าพอพอมันอยู่ในรูปแบบมากขึ้นมันก็ดีขึ้นเนี่ยรูปแบบทําให้เรามีแรงนะคะ ใ, นใจมันเคลื่อนนิดนึงเราก็เห็นเนี่ยเนี่ยกุณนั้นอะไปแล้รู้สึกไหมมันถลัมออกไปดูมันทรงจิตไปดูนะงงไหม งงรู้ว่าง ง, ง, งรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเวลาเราดูจิตนะเราดูมันดูโทรทัศน์ไปมันไม่ได้ดูจิตหรอกเหมืนเราดูหนังใครเคยดูหนังกลางแปลงบ้งหนังโบราณหนังกลางแปลงตามงานวัดต้องคนโบราณไหม่อนเราดู <laughs> คนเวลาดูหนังใช่ไหมใจมันไปอยู่ที่จอหนัง เวลาเราดูจิตนะแทนที่เราจะดูเข้ามาถึงจิตนะั้นเราก็ไปดูสิ่งที่จิตปรุงให้ดูหนังที่ฉายให้ดูในใจเราถ้าจะดูให้ถึงจิตนะั้นต้องดูที่เครื่องฉายหนังต้นต่อของมันมันออกไปจากจิตเรานี่เองแล้วมันปรุงออกไปสร้างอะไรต่ออะไรออกไปให้เรารู้ทันตรงนั้นให้รู้ทันจิตที่ถล่ไปดูจิตเราชอบถล่มออกไปดูกระโดดออกไปดูจิตเราไม่สักว่าดูอยู่ ต้องสักว่ารู้สักว่าเห็นนะไม่กระโดดลงไปดูดูห่างๆอย่างของคุณทำถุงนะมันดูห่างๆรู้สึกไหมถ้ากระโดดลงไปแล้วผิดต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมหรือว่าไปทำในรูปแบบไหมดีละเบอร์เก้าสิบคราวล่าสุดที่ผมมาเน้นอาจารย์บอกว่าให้ไปกระดุกกระดิกกัไว้ก็เอตอนนี้เอตอนเช้านี้ผมก็นั่งสมาธิ แล้วระหว่างวันนี้ก็พยายามรู้อริออยาบอทแล้วก็กลางคืนก็สวมดมนต์ก่อนเนาะของคุณใช้ได้แล้วนะคุนรู้สึกไหมเราเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเห็นไหมขันมันอยู่ห่างๆออกไปนะขันมันแสดงของมันตลอดเลยเราเป็นคนดูเท่านั้นเองดูอย่างสบายๆทําดีละเบอร์ v 89อยู่ข้างหลังขออนุญาตให้พี่สาวส่งกันบ้านค่ะเพิ่งจะส่งเป็นครั้งแรกเจ้าค่ะไหนคือพี่สาว กลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวจริงอ่ะแล้วใครมันตื่นเต้นตอนเนี้ไม่กลัวเพราะว่าจริงๆกลัวก็เลยพูดว่าไม่กลัว<อ>ค่ะโอ้เอากําลังใจไว้ก่อนเอากำลังใจไว้ก่อนแล้ไวงไงเพิ่งจะเริ่มปฏิบัตินะคะก็เลยอยากรู้สึกไหมตอนพูดเล่นๆกับหลวงพ่อใจเป็นแบบนึงตอนจะพูดพอเริ่มปฏิบัติเนี่ยคํานี้ออกมาเนี่ยนะใจเริ่มเปลี่ยนไปแล้วใจเริ่มเป็นนิ่งๆกว่าความเป็นจริง ให้ดูใจของเราที่เป็นธรรมดาธรรมดานะใจตอนเนี้นิ่งเกินไปให้เรารู้จิตอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ให้เป็นดัดแปลงให้เขานิ่งนิ่งเกินไปรู้สึกไหมขนาเนี้ลองเล่านิทานอะไรสักเรื่องสิรู้สึกไหมจิตตรงนี้ไม่เหมือนตะกี้แล้วใช่ค่ะจิตตรงนี้แหละคือจิตที่รู้สึกตัวจิตที่ธรรมดาที่สุดนะนี่แหละคือจิตที่รู้สึกตัวแต่ตอนนี้ไม่ใช่ลเป็นจิตที่หลงไปคิดคะนะไปฝึกเอานะ ร้ยยี่สิบเจ็ดอยู่ข้างหลังเลยร้ยยี่สิบเจ็ดอยู่ข้างหลังสา ม, มเดือนที่แล้วค่ะมาครั้ง<ม>สุดท้ายคะ<ม>่ะก็เหมือนกับรู้สึกว่า มันรู้กายมากขึ้นค่ะหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าเวลาที่มือกระชบจะเห็นเป็นก้อนก้อนแข็งแข็งออแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจิตมันเข้าไปล็อกกันค่ะหลวงพ่อแต่ตอนเนี้ยเบาคะ่ะอืแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มาเจอหลวงพ่อเนี่ยมันจะเหมือนแน่นล็อกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวให้ตามดูให้มันดับแต่บางทีมันไม่ค่อยดับไปค่ะมันจะล็อกอยู่อย่างนั้นคะ่คะค่ล็อกอยู่เพราะเราไปเพ่งเอาไว้เรากลัวหลงเรากลัวไม่ดีค่ะให้รู้ทันใจที่กลัวไม่ดี ไห้ดีก็ได้ค่ะก็ยังต้องทำสัปตาที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะอย่าจงใจปฏิบัตินะรู้สบายๆจงใจแล้วมันจะแน่นขึ้นมาเป็นก้อนอย่างตอนที่ค่าๆแล้วพยักหน้ารู้สึกไหมเราลืมหลงเราหลงนะดีหลงเรารู้หลงเรารู้นะดีกว่ากลัวหลงเราไปเพ่งเอาไว้อาตัอไปจะให้ยกมืออีกนะ เดี๋ยวหลวงพ่อดูก่อนว่าใครจําเป็นเอาเบอร์สิ่เริ่มปฏิบัตินะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจเราก็เคยปฏิบัติวิธีอื่นมาก่อนทีนี้เราจะทราบได้ยังไงคะว่าวิธีไหนที่เหมาะกับเราค ะ, ะต้องวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนนะส่วนมากที่เราทํามาทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยมันเป็นวิธีที่อาจารย์สอน อย่างบางคนไปรู้ลมหายใจนะพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆพระเยซทั้งหลายหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้สอนง่ายๆอาจารย์จะสอนวนะ่าลมกระทบจะมอยปากก็รู้กระทบจมูกก็รู้กระทบคอกระทบท้องอะไรเงี้ยเนี่ เ, นเกินที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนบอกพระเยซูทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่อาจารย์ก็สอนว่าเดินมีกี่จังหวะต้องมีจังหวะอะไรขึ้นมา พระพุทธเจ้าสอนบอกพิกสูทั้งหลายนะเมื่อเคลื่อนไหวอยู่ก็รู้นะเมื่อเหลียวซ้ายแลกขวาก็รู้เมื่อหยุดอยู่ก็รู้เมื่อเคลื่อนไหวก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้กระดุกรดกระดิกของเราก็ต้องเคลื่อนไหวซ้ํำซากต้องอะไรเงี้ยนั่นอะไรที่เกินจากที่พระพุทธเจ้าสอนนะมันก็เป็นสิ่งที่อาจารย์สอนมันก็เกินเกินจําเป็นแค่รู้สึกตัวนะรู้สึกไปที่ฝึกอยู่ตอนเนี้ยพอใช้ได้แต่แรงมันน้อยไปนิดหนึ่งเท่า น, นั้นเองใจมัน อ่อนแรงไปไหนคือเหมือนกับมันยังยังเลยสงสัยอยู่ะค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าต้องทํำยังไงกันแน่หลักของการทํำวิปัสสนานะคือการมีสติรู้กายรู้ใจที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเฉะนั้นถ้าเราไม่ได้รู้กายรู้ใจใช้ไม่ได้ถ้าไปรู้กายรู้ใจในอดีตในอนาคตใช้ไม่ได้ต้องรู้อย่างสบายๆรู้อย่างที่มันกําลังเป็นไม่ใช่ไปดัดแปลงนะ ส่วนบางอาจารย์จะสอนให้ดัดแปลงแทบทางนั้นนะถ้าเดินเราเคยเดินสบายๆก็ต้องเดินไม่เหมือนปกตินั่งก็ต้องไม่เหมือนปกติจะกินข้าวจะทําอะไรต้องไม่ปกติทั้งสิ้นเลยให้ดูกายเขาทํางานไปให้ดูจิตเขาทํางานไปจับหลักให้แม่นนะพระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยง่ายที่สุดแล้วถ้าหลักของเราแม่นในการปฏิบัติเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วเลยประมาณเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนแล้วแล้วเราถึงจะเกิดความมั่นใจได้ งั้นขั้นแรกเลยต้องเรียนให้รู้เรื่องก่อนนะของคุณนภะพรู้เรื่องแล้วแต่ใจมันอ่อนแรงไปนิดนึงเพราะว่ามันช่างสงสงสัยมากไปให้รู้ทันว่าจิตกำลังสงสัยอยู่นะให้รู้ทันจิตไปเลยเอา้าวให้โยมที่นั่งเก้าอี้เอาซะหน่อยเดี๋ยวจะเสียใจเออพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ, อที่ว่ามีปัญหาคื อ, อ, อปฏิบัติมานาน พอสมควรทําไมอยู่ๆวันหนึ่งจะนั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จแล้วตอนเช้ า, าจะนั่งสมาธิจิตมันก็ทําเพลงอยู่นั่นนะฮะฮทํายังไงก็ไม่หยุดทํายังไงก็ไม่หยุดอืแล้วก็ไปเรื่อยๆหลายเพลงด้วยทั้งๆที่ตัวเองไม่ใช่นักร้องอืทีนี้มันก็ทําเพลงไปจนกั่งถึงจังหวะหนึ่งเราก็เอ๊ฉันจะนั่งสมาธิเธอมาทําเพลงอยู่ได้ พอจังหวะหนึ่งพอเข้าลงปุ๊บเนี่ยรีบโดดออกจากก้าอีเลยก็เลยปวดหัวมากแล้วก็แน่นหน้าอกวันนั้นไม่สบายทั้งวันแล้วหลังจากนั้นมาอีกสักสี่ห้าวันเป็นอีกละทีนี้ไม่หําเพลงละร้องคือเหนื่อยมากจะลงไปนอนพอล้มตัวลงนอนปุ๊บจิตมันก็ร้องเพลงอตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเออหลวงพ่อเคยสอนบอกว่าไม่ ให้ดูไปเฉยๆไม่ให้ไปฝืนเลยไม่ให้ไปดึงอื้าอยากร้องๆ้องไปจะฟังออต้องอย่างนั้นสิก็นอนฟังไปจนกระทั่งหลับไปฮะตื่นมาอีกตีสองจะเข้าห้องน้ําก็ยังร้องต่อเออมันตลกดีนะ อ, อ้าอยากร้องร้องไปแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็นอนหลับต่อไปอีกเออปรากฏการณ์อย่างเนี้ยทั้งๆที่ว่าปฏิบัติแล้วทําไมมันยังมีเกิดขึ้นก็เพราะมันจะสอนธรรมะเรามันจะสอนความเป็นไตรลักษณ์ให้ดู ฉันจะร้องแก่จะทําไมยอมสังเกตไหมที่โยอมเล่ามาเนี่ยนะคือจิตเราไม่เป็นกลางเราไม่อยากให้มันร้องเรามีโทสะมีโทสาน้นใจก็ไม่มีความสุขก็แน่นแน่นขึ้นมาที่จริงต้องถือว่าเป็นบุญของเราแล้วมีนักร้องร้องให้ฟังไม่เสียสตังค์มันอยากร้องให้มันร้องไปดูมันทํางานถ้าฉลาดพอนะดูเขาเลยดูเขาทํางาน พอเราดูมันทํางานปุ๊บนะกิเลสจะหนีทันทีเลยกิเลสกลัวที่สุดเลยว่าเราจะรู้ทันมันถ้ามันปรุงมันร้องเพลงขึ้นมาเราเห็นแกทํางานของแกได้เองเนี่ยพอเรามีปัญญารู้ทันอย่างนี้นะมันจะเลิกร้องเลยแต่ว่านั้นมีความสบายฮตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นอืก็คือดูปล่อยให้เขาร้องไปอยู่นั่นแหละไปฝืนถ้าฝืนแล้วเครียดใช่ะเห็นม้จับหลักให้แม่นเลยไหมอะไรเกิดขึ้นก็รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางแล้วก็ตรวจสอบเลย อันเนี้ยเรารู้แล้วแต่จิตเราไม่เป็นกลางผิดตรงที่ไม่เป็นกลางก็ให้รู้ทันว่าไม่ชอบมันจับหลักให้แม่นง่ายตอบได้ทุกคำถามเลยเเบอร์ยี่สิบเก้ากราบหลวงพ่อค่ ะ, ะเมื่อกี้ตอนที่พี่เบอร์ส4สี่ส่งกันบ้านนะะหนูก็นั่งตื่นเต้นไปเรื่อยๆอ่ะก็ดูเขาตื่นเต้นไปเพราะว่าคือ ดูเขาาก็จะตื่นมากเต้นเต้นมากเึ้นเต้น้ําใจมันก็เต้ น, แ ร, นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็หยุดเดี๋วก็เบาก็ก็ดั่งดูไปนะฮะทีนี้อยากจะส่งกันบ้านหลวงพ่ออย่างนี้ค่ะคืออมีความรู้สึกว่ามันมีความสุ ข, ม, ม, ม, สขมันผุดขึ้นตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อแ ล, แล้วก็บางครั้งบางครั้งหนูจะเกิดตอนเวลาขับรถเนี่ย<ม>เวลามีใครปาดหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกพอความโกรธมันมันจะผุดขึ้นตรงกลางอกอะค่ะหลวงพ่อพอหนูเห็นปุ๊บมันก็ดับไปเลยอ นะก็ถูกแล้วนี่ทีนีหน้หนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูภาวนาเป็นไงบ้างคะก็ภ า, าวนาดีโชละหให้รู้ไปนะแต่อย่าจ้องมันนะค่ะแล้วก็อย่าไปรอดูที่กลางอกหลวงพ่อเคยทําผิดหเห็นมันผุดขึ้นมากลางอกแล้วเลยไปจ้องอยู่กลางอกอันนี้ใช้ไม่ได้นะหให้มันผุดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้เอาคือห น, หนูรู้สึกว่าหนูภาวนาดีอะคะ่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่ามันดีจริหลวงพ่อก็ว่าดีนะ คือหนูรู้สึกอย่างไงมากๆจริงๆอะค่ะว่ามันมันดีขึ้นเป็นลําดับอย่างที่ถูก<ม>ต้องแล้วถ้าจับหลักให้แม่นใช่ไหมรู้ทุกอย่างอย่างที่มันปรากฏขึ้นมากิเลสโผล่ขึ้นมากลางหน้าอกนั่นแหละใช่ค่ะหลวงพ่อทีนี้บางครั้งเนี่ยหนูจะเห็นเป็นลักษณะที่เวลาหนูมีคือตัวกิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ย mm hmm. เช่นพวกตัวโทสะเกิดเนี่ยมันจ ะ, ม, นจะมันจะเป็นเหมือนเหมือนแก้วกาแฟที่มันจะมีนมข้นอยู่ข้างล่าง uh huh. ะตัวตัวโทสะเนี่ยมันจะนอนอยู่ข้างล่างแล้วมันก็อาจจะมีตัวอื่น ขึ้นเป็นชั้นๆชั้นๆ อ, อย่างเงี้ยค่ะหลวงพออ่อแค่แค่รู้นะรู้ด้วยความเป็นกลางคไม่ต้องไปแยกนะไม่ต้องไปนี่คือนมสดตรงนี้ไปกินก่อนเลยไม่ต้องแค่รู้เท่านั้นแหละเมื35 35่สามสิบห้าสสิบห้าครับกรรมนวัตการมครับหลวงพ่อมาหลายครั้งแล้วครับครั้งนี้อยากจะขอให้หลวงพ่อเมตตาลูกสาว เขานั่งสมาธิตามตามผมอะครับเหออายุห้าขวบจะหขวบเว่ามันเล็กไปนิดนึงจะให้นั่งให้ดูเหรอเขาเขานั่งตามผมมาครับแล้วก็ถ้าอยากไปเที่ยวทะเลเนี่ยพอยังไม่ถึงทะเลสักทีเขาก็เขาก็นั่งสมาธิก็ทํำท่านั่งสมาธิแล้วก็คิ้วขมวดนิดนึงแล้วแล้วก็ทนไม่ได้ก็ออกมาเนี่ยยังเด็กนักนะอีกสองปีเข้ามาเรียนเล็กเกินได้ เด็กเล็กมากยังเรียนไม่ไหวให้เขานั่งไปก่อนให้คุ้นเคยมีนิสัยเราพอนาให้เขาดูไปด้วยได้ดีแล้วล่ะผมต้องทําอะไรอะไรอีกไหมครับของของคุณ<ห>ดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่ก่อนเพ่งแรงตอนนี้อ่อนลงแล้วรู้สึกไหมบสบายขึ้นทําตัวสบายๆแล้วตามรู้ไปเบอร์หกสิบเจ็ดกรอบนมัสการหลวงพ่อครับออตอนนี้รู้สึกหนักๆ แน่นๆครับเป็นเต้นครับก็ผมมาที่นี่ฟังหลวงพ่อครั้งที่สี่ครับแล้วก็ทุกครั้งที่คิดถึงการส่งการบ้านความคิดก็จะรีบแต่งเรื่องรีบหาเรื่องครับแล้วก็ไม่กล้ายกทุกครั้งดีดีครับถ้าแต่งเอาแล้วจะมายกธรรมแล้วครั้งสุดท้ายตัวที่ชนะก็คือบอกว่าอยากจะรู้ว่าตอนที่กําลังส่งอยู่มันเป็นยังไงครับก็เลยยกครั บ, รบแล้วจิตเป็นยังไงกับนะนี้ก้อนเกรงครับ ดีดใช้ได้แล้วนะที่ฝึกดูอยู่นะหัดรู้ไปเรื่อยๆความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้เอาดีแล้ ว, ลวใช้ได้ดูเล่นๆไปเบอร์ยี่สิบแปดอยู่ข้างหลังห้องเลยไปนมาสการหลวงพ่อค่ะคือลูกมาครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้ฝึกสมาธิมาประมาณสามเดือนช่วงแรกก็อึดอัดนะคะทำไประยะหนึ่งก็อึดอัดเสร็จแล้วก็ ได้มานั่งฟังเทปหลวงพ่อดีๆก็ลองไปนั่งใหม่อันนี้ก็ดีขึ้นนะฮะปง่งแต่ช่วงหลังรู้สึกว่ามันเริ่มเห็นภาพอืนะแล้วก็ก็รู้สึกนั่งนั่งก็เหมือนเดิมน ะ, ะนั่งก็เหมือนเดิมแต่ว่าเริ่มมองมองเริ่มมองกายบ้างมองอะไรบ้างก็เลยไม่ทราบว่าที่ฝึกอยู่เนี่ยดีแล้วหรือว่านั่งนะนั่งคอยรู้สึกกายนั่งคอยรู้สึกใจไปเรื่อยๆนะอื ส่วจะเห็นนิมงนิมิตอะไรไม่มีความหมายเลยท่านนั่งแล้วคอยรู้กายนั่งแล้วคอยรู้ใจนั่งแล้วกิเลสเกิดแล้วรู้ทันว่ามีกิเลสอะไรเงี้ยอันนี้<ะ>ดีที่สุดเลยค่ะแล้วแล้วอย่างที่เรานั่งเนี่ยมันติดเพ่งไปไหมคะเพ่งไปพ <อ S 1> เพราะรู้สึก<ป>พอนั่งไปสักพักหนึ่งจะจะลึกลงอีกนั่นแหละนะใจมันไหลๆหลไหลลงไปให้นั่งรู้สึกตัวนะลองปรับวิธีนั่งใหม่สมาธิที่ไม่มีสตนะิใช้ไม่ได้นะ เป็นมิจฉาสมาธิแล้วมีสติแล้วมีความรู้ตัวอยู่เรื่อยๆอก็ให้นั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆยายาใช่ไหมคะพยายามเคลื่อนไหวไว้ดีกว่าเนชะ่นไปหา ง, งานทําไปกวาดบ้านไปถูบ้านไปทําอะไรที่เคลื่อนไหวไว้แล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยๆดีดีกว่าการที่เรานั่งสมาธิดีกว่า น, <ล>นั่งจมลงไปในความซึมเศซานะไปเคลื่อนไหวนะพยายามเคลื่อนไหวหา ง, งานบ้านมาทํา เ ข, ขาทําป็นพ่อไอ้เรื่องนึ่งค่ะพอดีมีเพื่อนมาด้วยคันนี้เขาก็เริ่มนั่งฝึกแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะฝึกยังไงว่าถูกทางคอยออดูใจของเราเองไปกิเลสเกิดขึ้นมาก็ค่อยรู้นะใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยแวบๆบแบบนะใจมันหนีไปเรื่อยๆก็คอยรู้เอาเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมใจมันหนีไปคิดนะให้คอยรู้ไปเรื่อยเอาเบอร์ร้อยสามสิบห้า เขส่งกันบ้านนะครับเขาได้แล้วหลวงพ่อให้ไปดูตัวใจลอยอะครับอเก็ไปดูมาแล้วทอนนี้มันตอนหลังๆมันเห็นแบบมันมันมันไม่แปรป่ะมันเห็นแบบมันเห็นแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่าแบบอะไรมากมายแต่ช่วงแรกเห็นแล้วมันรู้สึกแบบมีสติขาดไปช่วงเนี้ยครับอะไรนะช่วงแรกเห็นแล้วมันรู้สึกแบบมีปื๊ดขึ้นมานิดนึงอะครับแบบมีความสุขนิดๆนะครับอแต่ช่วงหลังก็รู้เฉยๆนะไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรนะครับใจมันติดความนิ่งมากไปนิดนึง นะดูสบายๆไม่ต้องดูแบบตลอดเวลาไม่ให้คลาดสายตานะรู้บ้างเผลอบ้างถึงจะดีถ้าพยายามรู้ตลอดเวลาใจก็แข็งเกินไปนิ่งไปไม่สบายต้งเลิกนั่งสมาธิว่าพ่อผมปกติปฏิบัติโดยการสวดมนต์กับ น, นั่งสมาธิทุกวันนะลองเปลี่ยนไปเดินดูบ้างนะเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวค่อยรู้สึก ของคุณสมาธิแรงไปท่นนี้สมาธิมันล้ำหน้าสติไปสติตามไม่ทันมันเลยซึมไปกระดุกกระดิกไปครับเมื่อ43การที่เราคอยกระดุกกระดิกแล้วคอยรู้เนี่ยนะมันจะทำให้สติเราเร็วขึ้นครับท่านอาจารย์ครั้งก่อนท่านอาจารย์บอกว่ามันดีขึ้นแล้วให้รู้ลงปัจจุบันไปเลยผมพอจะรู้ลงปัจจุบันได้บ้างหรือยังครับขณะนี้จิตเป็นยังไงวันวันนี้อึดอัดครับ แน่แน่อยสินะไปทําอะไรมันเข้าล่ะตื่นเช้าครับที่สองโอีตื่นเช้าไปแล้วก็โทศเข้ามาแซนเนื่องจากกลัวว่ามาแล้วมันจะจิตมันจะไม่ดี<อ>ครับมันเลยไม่ดีเลยครับก็เลยไม่ไม่เห็นตัวอยา่างอยากหายครันไม่เห็นก็เลยรู้สึกมันอึดัดมากเลยตอนนี้อึดัดยอมรับไหมแม่ใจอึอดัดอยากให้หายอึดัดไหมครับเนื่องจากความอึดัดเนี่ยเป็นสภาวะที่กําลังปรากฏในปัจจุบัน เมื่อเราไปรู้ว่าจิตกําลังอึดอัดแล้วเนี่ยจิตไม่ชอบให้รู้ทันว่าไม่ชอบนะมันไม่เป็นกลางต่อยเอยครับแล้วภาพรวมผมคิดว่ามันมันมันก็ดีขึ้นไปนขึ้ น, นจิตมันมีกําลังมากขึ้นตัวไหมครับแต่ แ, <ล>แต่วันนี้วันนี้ไม่ดีฮะแต่ภาพรวมสามเดือนสีเดือนที่ผ่านมานะดีดดใช้ได้ละเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นนะเราภาวนาไว้ดีๆรีบไปหาอาจารย์น้อยกําลังนั่งรถไปนะจิตเสีย เ ป, เป็นแบบพวกเราแหละ <Okay. S 1> อยากไปอวดเหมือนกันเมื่อก่อนเนี้ย <c oughs> ไปหาหลวงปู่สุวัตนะดีมาตั้งหลายวันแล้วท่านอยู่บุรีลำดังนั้นจะนั่งรถไปแตตั้งใจอย่างดีเลยเละเลยวุ้จิตหนีไปแล้วหนีเอาไม่อยู่เลยนะเอาไม่อยู่แล้วทำไงดีตายละวะกํานะกลังจะถึงวัดท่านอยู่แล้วนะทำอะไรไม่ได้นะู้มึงแสดงไตร ล, ลักช่วยมันคิดนิดนึง อใจมันมองมุมนี้ปุ๊บนะใจมันยอมมันก็เข้าที่พอไปเจอหลวงปู่สุวัสด์นะไปกราบท่านท่านมองหน้าเราแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มบอกว่าจิตนะบางทีมันก็ตั้งมั่นอยู่บางทีมันก็เคลื่อนไปพอเห็นมันเป็นไตรลักษณ์มันก็เข้าที่ครับแล้วอย่างผมนี่ถ้าจะเอาคิดนํามาช่วยบ้างในบางครั้งนี่ได้ใช่ไ้มท่านให้น้อยไว้ให้น้อยไว้แเท่าที่จําเป็น คิดนำนะมันเหมือนเรากินยาแลแก้ปวดนะเดี๋ยวติดยามันไม่ได้แก้ตัวปัญหาเบอร์แปบเจตายรู้สึกไม่เริ่มดีขึ้นแล้วเอร์พอส่งกันบ้านเสร็จแล้วใจเริ่มคลายเอาที่พา น, านาอยู่ใช้ได้แล้วกราบพระประสัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำว่าปฏิบัติ เป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเรารู้ไ้มว่าอยากรู้เจ้าค่ะออรู้แล้วความอยากหายไปไหมยังอยู่เจ้าค่ะเราแสดงว่าไม่รู้จริงต้อง ร, รู้อีกรู้จนหมดอยากเจ้าค่ะความอยากใดๆเกิดขึ้นนะก็คอยรู้ทันของคุณตอนนี้เริ่มบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมอย่าบังคับนะปล่อยให้จิตเขาทำงานไปจิตมีความอยากขึ้นมาก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้รู้เล่นๆไปตอนนี้จิตแอบไปคิดทรหม จิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดอย่าไปเพ่งนะชอบเพ่งอะ่ะเอาเบอร์สามสิกลาวนมรรคการค่ะคือจะมาส่งการบ้านค่ะหลวงพ่อว่าขณะที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะนะคะบางขณะเนี่ยก็จะเป็นบางวันก็จะเห็นความทุกข์เห็นอยู่นะล่ะคะ่ะว่ามันทุกข์อยู่ทั้งวันมองเห็นความตายแต่บางวันบางช่วงก็ก็ไม่มีสิ่งนี้มัน มันเป็นช่วงๆอะค่ะแล้วก็เลยลองปฏิบัติแบบเป็นรูปแบบสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอยู่ทุกวันก็จะทําให้เรารู้ตัวเร็วขึ้นเวลาที่เผลอก็เลยอยากจะทราบว่าสิ่งที่ปฏิบัติหรือว่าสิ่งที่ภาวนาที่ทําอยู่เนี่ยค่ะมาถูกทางหรือไม่เจ้าคะถูกแล้วนะดีแล้วค่อยสังเกตเลยจิตชอบไหลไปคิดตัวออกไหมดูออกเลยค่ะไหลแวบๆทั้งวันนะใช่ค่ะไม่ห้ามแค่รู้รู้ไปด้วยใช้ได้ แล้วมันก็เหมือนจะเป็นอัตโนมัติขึ้นไปเรื่อยๆอนั่แหละสติมันเกิดเองต้องอัตโนมัติถึงจะใช้ได้ค่ะหลวงพ่อคะนิดนึงคะ่ะมีลูกอายุ10บขวบกับ5ขวบสอนเขาให้นั่งนั่งสมาธิแล้วก็ให้ทำในรูปแบบก่อนอันนี้ไม่ทราบเริ่มต้นถูกไหมคะอย่าไปบังคับให้เด็กเครียดนะ ค่ะก็คือให้เขาสวดมนต์กับเราแล้วเราก็ภาวนาให้เขาเห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็เวลาที่หลวงพ่อไปสาราลุงชินก็จะพาเขาไปด้วยะคะ่ะ<น>ค่อยๆให้เขาซึมอันนี้ไม่ทราบว่าดีกไเจ้านะคะหลวงพ่อก็เรียนธรรมะมาแบบนั้นตอนเด็กๆนะผู้ใหญ่เขาก็อุ้มเราไปวัดต้องอุ้มไปเลยนะหลวงพ่อไปวัดตั้งแต่อายุไม่กี่เดือนหรอกไปฟังเทศตั้งแต่อย่างฟังภาษามนุษย์ไม่ออกเขาก็อุ้มเราไปวัดซึมซับไปเรื่อยๆ พอโตขึ้นเดินได้วิ่งได้นะก็ไปวิ่งเล่นในวัดได้ยินพระเทศบ้างเห็นเขาทำบุญบ้างอะไรเงี้ยคุ้นเคยต่อมาใจมันก็คอยคิดถึงวัดอยู่เลยมันอสนใจขึ้นมาดีแล้ะแล้วลูกอยู่ไหมเอาลูกมาเปล่าสิบขวมอะไม่ได้เอามาค่ะไปโรงเรียนเจ้าค่ะเออใช่นะวันนี้ต้องเรียนอ่ะเบอร์สี่สสองยกมือไว้ การนัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูจะไม่ตั้งมัน่น mm hmm. ก็เลยคิดว่าข้อบุกพ่องของตัวเองคงจะเป็นวิหารธรรม ท, ที่คือรู้อิริยาบทนะคะ mm hmm. ก็เลยฝึกภาวนาดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นตัวออกไหมค่ะนั่นแหละดีขึ้นแล้วแล้วก็แต่ก็ยังตัวเองเหมือนเดือะคะ่ะคือยังไม่ยอมดูว่ามันเป็นไตรักคือแค่รู้อย่างเดียวอะคะ่ะ แค่รู้อย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปคิดเรื่องไตรลักษณ์อะไรปรากฏขึ้นมาก็รู้อะไรดับไปก็รู้นะเดี๋ยวไม่เห็นไตรลักณ์เองอีกอย่างหนึ่งค่ะหลวงพ่อก็คือว่าตัวเองโลภมากไปหรือเปล่าคะคือตอนนี้มีอีกตัวหนึ่งที่ดูก็คือตัวกลัวค่ะเซลลจัดกันไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองนี่ชอบยกหางตัวเองอะค่ะเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออดีดูไปอย่างนั้นแหละยิ่งหน่อยก็หางด้วน ดีเท่านั้นใช้ได้แล้วนะรู้สึกไหมเราเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกไหมอยู่ๆความสุขมันก็ผุดขึ้นมารู้สึกไหมร่างกายมันก็อยู่ห่างๆอะไรๆมันห่างไปหมดหมดเบอร์ยีบอ็ดคือช่วงปีใหม่หนูก็ไปปฏิบัติที่อุทัยกับที่เชียงใหม่ค่ะก็ไปปฏิบัติกับเบอร์58าแปค่ะวันนี้ก็สภาวะหนูเข้าใจว่าพอๆกันเหมือนๆกันคือเริ่มเห็นกายที่แบบว่าแยกกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงกลับมาใหม่เนี่ยจะสติค่อนข้างดีก็จะเห็นแบบตัวเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทํางานเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็หลงไปอีกคนนึงธรรมดานะมันอยู่กับโลกมันเสื่อมทําในรูปแบบด้วยนะทําสม่ําเสมอกระดุกกดิกไว้นะใจมันจะอย่าให้มันนิ่งเกินไปกระดุกกดิกไว้ของคุณใช้ได้เอาคุณมันฟุ้งซ่านนิดหน่อยให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน นี่ใช้ได้นะรู้สึกไปต่อไปเบอร์หนึ่งรอยมาสองข้างกับลูกค่ะแล้วบอกอยากจะมาถึงอยากจะขอหลวงพ่อทำรู้สิเป็นยังไงดีสิ <c oughs> รู้สึกไหมใจเรามีความสุข <c oughs> นะใจเรามีความสุขเราก็รู้นะใจเรากังวลขึ้นมาเราก็รู้เรารู้ความเปลี่ยนของใจไปยมภาวนาเก่งนะเอาเบอร์ห้าเบอร์ห้า มรสการของพ่อครับก็ช่วงหลังรู้สึกว่ามันป่าดเปรียวว่องไวขึ้นแล้วก็แขวงแต่ก่อนก็จะค่อนไปทางประคองไว้เยอะแล้วก็กลัวเผลอ<ม>ช่วงหลังสักวก็ป่าดเปรียวขึ้นแล้วก็หวางใจกับสิ่งที่จะเกิดมาขึ้นพ่อน า, าดีแล้วละดูไปพ่อมีอะไรแนะนำไหมครับไปทําอีกนะทํามากๆดูเรื่อยๆดูทุกวันอย่าเลิกเบลท์สี่ิบหกขอบพระคุณครับ หลวงพ่อหนูมี2องคำถามค่ะคำถามแรกคือว่าเดี๋ยวนี้บางทีมันจะรู้ว่ากายเคลื่อนไหวบ่อยขึ้นแต่สงสัยว่าตอนนั้นน่ะใจเราไปอยู่กับกับกายที่มันขยับอยู่หรือว่าเรารู้กายที่ขยับจริงๆเราสังเกตสิใจเราตั้งมั่นไหมใจเราเป็นคนดูไหมถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูนะเราจะเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่อีกส่วนหนึ่ง แต่ถ้าใจของเราเขัไปเกาะอยู่ที่ร่างกายแล้วเห็นว่ามันเคลื่อนไปด้วยกันอย่างนี้อันนี้ยังใช้ไม่ได้ไม่แน่ใจค่ะใจมันซึมไปนิดนึงนะเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมลองเคลื่อนไหวให้หลวงพ่อดูซิรู้สึกไหมตอนนี้รู้สึกตัวได้มากกว่าเมื่อกี้เพราะมันตั้งใจเอใจมันตั้งมั่นกว่าตะกี้นะเนีรู้สึก อ, อย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างตะกี้ได้ ตรงนี้ใจล็อกนิ่งๆขึ้นใหม่แล้วรู้สึกไหมตรงนี้ไม่เป็นธรรมชาตินะอย่าจงใจถ้าจงใจดูแล้วไม่ใช่แล้วคนที่เขาจิตตื่นแล้วมันเขารู้สึกเป็นยังไงอะคะเขาตื่นเหรอเขาตื่นแล้ ว, เ ข, ลวเขาก็รู้ตัวขึ้นมานะเบิกบานกายเขาเบาใจเขาเบาเขาก็เห็นร่างกายมันทํางานไปใจเป็นคนดูเขาเห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เกี่ยวกับใจ เขาก็เห็นกิเลสผ่านมาผ่านไปไม่เกี่ยวกับจิตใจเหมือนกันสบายดูเล่นๆแอบไปคิดซับไหมใจหนีไปคิดอย่าประคองนะยังประคองอยู่ปล่อยซะคือบางทีพอปล่อยไปก็ทั้งวันไม่เห็นรู้สึกตัวเลยยั <laughs> งต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งจะอยู่กับอะไรก็ได้ในกายในใจเนี้ยหนูก็พยายามจะลองทําพุทโธพุทธ ท้องพุโทโธในใจค่ะพอท้องพุโทโธไปมันก็รู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเลยอ่ะรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไหมดูร่างกายที่เคลื่อนไหวนะของคุณนะดูกายไปมันจะดูได้ง่ายเห็นหั้ยตัวนี้พยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้าตัวนี้มันพยักหน้ามันไม่ใช่เราพยักหน้ากระดูกระดิกไปแล้วเห็นร่างกายที่ทำงานอยู่มันไม่ใช่ตัวเรานะ เอาซิกนี้บ้างมีเวลานิดนิดหน่อยหนเบอร์1 4อยสี่สิบเบอร์สิบหกเหรอเอาเอาไปเบอร์สิบหกก่อนครดีที่ทวงสิทธิ์อพอดีไปภาวนามก็ทำตัวผู้รู้ให้เหมือนแก้วที่ว่างแล้วมีอะไรมากระทบก็รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอตอนที่ไปทำ ก็ร <muitas> <arias> ู้ส no ึก no ว่าสบายดีค no รับแต่ว่าไม่ทราบว่าถูกไหมฮะตัวผู้รู้อ่ะเราก็ไม่ต้องรักษามันตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงถ้าเราจงใจรักษาตัวผู้รู้ก็เป็นสมถะอย่างหนึ่งยิ่งไปประคองตัวผู้รู้ให้ใสสว่างอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือสมถะอะไรมากระทบแล้วบอกให้วางวงถ้าจงใจวางก็ไม่ใช่ของจริงการวางนั้นการตัดนั้นมันเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญามีหน้าที่ตัด เถ้ามันปัญญามันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมานะล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราอะไรเนี่ยมันก็วางของมันเองมันต้องเป็นเองนะปัญญามีลักษณะของการตัดสติมีนักลักษณะของการจับเอาไว้หน้าที่ตัดกับหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่เราจงใจวางถ้าเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยจิตจะวางของเขาเองตัวรู้ก็ไม่ต้องรักษานะให้มันมีอยู่เท่านั้นนะ มันก็มีบ้างหายไปบ้างถ้าจงใจรักษาแล้วก็เป็นสมถะแล้วตอนนี้ภาวนาถูกต้องไหมครับอเคใจนิ่งเกินไปทื่อๆรู้สึกไหมรู้สึกครับนั่นแหละมันผิดแล้วจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานนะมันจะต้องเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อตอนนี้ แ, แข็งไปแล้วจะแก้ยังไงครับอย่าทําสิไม่ทําเหตุมันก็ไม่มีผลหรอก ถ้าทำเหตุมันก็มีผลถ้าจงใจประคองผู้รู้ไว้ก็ต้องแข็งแหละอย่างตอนนี้รู้สึกไหมผู้รู้ดับเป็นผู้หลงใช่ครรู้สึกไหมตรงที่รู้ว่าผู้รู้ดับจิตตื่นขึ้นมารู้สึกไหมนี่แหละคือภาวะแห่งความตื่นนะจำไว้นะเพราะฉะนั้นตรงที่ไปประคับประคองไว้นั้นไม่ใช่ของจริงเลยแต่ตรงที่รู้ทันนะสภาวะที่กําลังปรากฏนั้นแหละจิตตื่นรู้สึกไหมยังประคองไว้อีกนิดหนึ่งนั่นแหละเลิกซะนะ ทำผิดนะร้อยสี่สิบหลวงพ่อคะจิตใจมันโล่งๆแล้วก็สภาวะตัวเองเนี่ยเห็นเบาๆแต่ๆค่ะแต่สภาวะคนอื่นแรงๆหนักๆนะคะใจขนาดนี้เป็นกลางไหมรู้ตัวเต็มที่ไหมขนาดนี้รู้สึกไห<ช>มตัวโล่งๆของเราเนี่ยเกิดจากการดันเอาไว้ผลักไว้ดันเอาไว้ให้โล่งๆรัวอารมณ์ไหลเข้ามาปนกับจิตเลยไปผลักๆมันไว้ ดูออกไหมไม่ออกค่ะมันไม่เป็นธรรมชาติโล่งตัวเนี้เป็นโล่งที่ยังมีการประครับประคองอยู่แต่ที่ฝึกมาใช้ได้แล้วนะดีแล้วหลวงพ่อคะอยากได้กันบ้านแบบเด็กเก่าอะคะ่ะเด็กเก่านี่ยไงบอกแล้วนะว่าโล่งตัวเนี้ไปประคองเอาไว้ยังรักษาอยู่เอาเบอร์สิจ็ ค่ะวันนี้พอดีมีโอกาสพาคุณแม่มาค่ะขอทำมาให้คุณแม่ค่ะไหนล่ะแม่แล้วฟังซีดีหรือเปล่าคุณแม่แล้วเห็นจิตไหมกิเลสเกิดบ่อยไหมโอ้กิเลสเกิดบ่อยใช้ได้กิเลสตัวไหนเกิดบ่อยน้อยใจเหรอรู้จักใจลอยไหมเออถ้าใจลอยเราก็รู้นะน้อยใจขึ้นมาเราก็รู้ ฝึกรู้อย่างนี้แหละดีแล้วล่ะฟังซีดีทุกวันนะฟังแล้วสังเกตจิตไปเรื่อยเดี๋ยวก็ดีเองแหละตอนนี้มาได้ดีแล้วล่ะเอาเบอร์สี่สิบเบอร์48่สส่งครั้งสุดท้ายเมื่อไรสองอาทิตย์ที่แล้วครับโอ้ยเร็วไปเมื่อิืนสองอาทิตย์ที่แล้วนี่พี่ชายเสียแล้วก็เลยจิตแบบไม่ถึงแบบไม่เป็นกลางมากๆาะแต่ว่าเราห้ามไม่ได้นะ แต่รู้สึกไหมความทุกข์เราก็ลดลงแล้วมันมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนครับแต่แต่เดือนที่แล้วตอนที่ส่งกระไม้ก็สุดท้ายก่อนหน้าที่จะพี่ชายเสียก็ยคือพระอาจารย์บอกว่าติดยังไม่ถึงฐานแล้วก็มันอยู่ข้างหน้าข้างหน้านิดนึงแล้วก็ช่วงนี้นี่ก็ท่านบอกว่าให้ไปสวดมนต์ช่วงนี้ผมก็ไปเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์ตอนก่อนนอนนะก็แต่ก็กลัวจะกลับไปติดสมถะเหมือนเดิมไม่ติดน่าเดีย๋ยวไม่ติดอผมควรจะทําเพิ่มขึ้น<ำ>นะครับคุณอย่างนี้แหละ แล้วเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากระหว่างวันก็รู้ระหว่างวันรู้ไปที่คุณทำตอนนี้ใช้ได้แล้วเบอร์หกสบห้าดูกายดูจิตนี่ถูกต้องยังคะถูกสิดูไปเรื่อยๆดูแล้วเห็นอะไรบางครั้งก็ไม่มีแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายาทำไมให้แขนหายไปล่ะมันหายเองค่ะพยายามรู้สึกตัวไว้นะถ้ามันหายไปมันเป็นสมรร พยายามรู้สึกไปกิเลสอะไรเข้ามาแล้วก็รู้ทันกิเลสมาแล้วคอยรู้ทันไว้นะค่ะให้คอยรู้ทันกิเลสไว้ค่นะเอย่าไปเพ่งใส่แขนนะเดี๋ยวหายไปแล้วมันไม่มาแย่เลยเบอร์้อยยี่สิบเกาให้รู้กายรู้ใจนั่นแหละถูกหลักแล้วแต่ว่าอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งลําเป็นสมถะขออภัยนะคะหลวงพ่อถามบ่อยเหลือเกินคือ เวลาสวดมนต์เนี่ยนะคะจิตมันเข้าไปคิดยมรู้สึกไหมจิตโยมเปลี่ยนไปรู้ค่ะว่าบันทุกน้อยลงอืบันทุกน้อยลงแต่คนนี้อยากจะถังเพราะว่าเวลาสวดมนต์สมุิพุทโธเสร็จแล้วเราก็คิดเรื่องที่คิดอรหังก็กลับมาแล้วคิดที่เรื่องที่คิดเนี่ยคุณจะดึงจิตอย่าไปดึงมันไม่ดึงมันก็เตลิดสิฮะไม่แค่รู้ทันมันหัดรู้ทันมันไปเรื่อยรู้ทันมันก็ยังไม่กลับมาหรอกถ้าดึงมาเป็นสมถะจะทําสมถะก่อนก็ได้ แต่ถ้าดึงมันทุกทีทุกทีเนี่ยเดี๋ยวเคยตัวอีอาก็ดึงกลับเข้ามาหาลมหายใจหาอะไรเนี้กลายเป็นสมบัติ ไ, ไม่ปล่อยให้มันเตลิดมันอยู่ทางสายกลางตรงที่มันเตลิดไปเนี่ยนะสุดตรงไปข้างหนึง่งตรงที่เราบังคับไม่กับลมหายใจเนี่ยสุดตรงมาอีกข้างนึง่งตรงที่เรารู้ทันว่ามันเตลิดเนี่ยตรงเนี้ไม่เตลิดหัดรู้ทันตรงที่มันไหลไปเรื่อยๆไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแล้วก็กลับมารู้ลมไหมแต่อย่าดึงจิตมานะ แค่แค่เห็นว่ามันไหลแว บ, บไปแล้วก็รู้ลมของเราใจจะเบาๆถ้าใจหนักๆขึ้นมาแสดงว่าไปดึงมาดูไปสบายๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้น ะ, ะจิตดีขึ้นเรื่อยๆเบอร์ห้าสิบเอ็ดห้าบอดอยู่ข้างหลังกราบมัสการหลวงพ่อครับอที่ผมภาวนาอยู่นี่ต้องปรับมือแก้ไขเขาคุณกระตุกกระดิกไว้แล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะครับผม ว่าใจมันไหลแวบเราก็นะจะรู้ขึ้นมาเองแหละครับผมนะกระดูกกดิกไหมครับว่าใจชอบคิดมันถลำไปในโลกของความคิดบ่อยๆแล้วเอาร่างกายมาเป็นวิหารธรรมไว้ครับผมครับอยากข อ, อกันบ้า น, นครับก็ <c oughs> แค่นี้ก็เยอะแล้วนะ <c oughs> ร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกร่างกายเคลื่นไหว <c oughs> คอยรู้สึก น, น, น, นะครับอ้าววันนี้ได้แค่นี้นะเชิญโยมกลับบ้าน